พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห5าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่27สิงหาคม2556อบรมคณะครวะจากบ้านจิกและบ้านโพนไทรมีชื่อเรื่องว่าภาวนาแบบพุท ธ, ธและภริยะยุค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 เป็นสหธรรมิกกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชพยาณสังวรองค์ปัจจุบันเป็นสหธรรมิกรู้จักมักคุณไปมาหาสู่กันเราในฐานะลูกหลานของทั้งสามพระองค์ก็นี่แหละเห็นกันแล้วก็ไปครัว่าเป็นญาติโกโหติกา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 เพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหมามงคลยิ่งพวกเราในฐานะพี่น้องพี่พี่น้องน้องออลูกหลานตลอดพิงษศรัทธาญาติโยมที่ได้มาสู่วัดวาศาสนาที่เข้ามากราบครูบาอาจารย์ผัสสงตามวัดต่างๆในช่วงเข้าพรรษาเพราะเทศกาลเข้าพรรษา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 แต่รู้สึกว่าล่อยหลอลงมาเรื่อยๆตะกอนเขาไปหลายแห่งทุกหัวและแห่งแทบนี้แต่ทุกวันนี้ก็กูบาจารที่ได้ไปกราบไปไหว้ก็ล่นลงมาเรื่อยๆหลวงพ่อเองตะกอนก็จะ ต, ตั้งปายแถวเป็นพระเล็กป้าน้อยเดี๋ยวนี้ก็โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกัน ไม่โผได้ยังไงเพราะอายุของหลวงพ่อเนี่ยจะเข้าเจแล้วนะขณะศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานปีนี้69าแล้วจะกำลังเดินเข้าไปหา70หลักเจพันษาก็49ปีนี้จำพันษาพันษาที่คาอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ขณะนี้นะ่ยสพันษาลูกหลานบางคนก็ยังไม่ได้เกิดอีกต่างหากนับพันษาสมรร น, นเข้าไปอีก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 ทัศนากูปาอาจารย์เข้าไปกราบไปไหว้ไปศึกษากับหลวงอาจารยหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาจากนั้นก็ขึ้นไปทางหลวงปู่แหวนสุจินโนก็เคยจําพรรษาที่วัดดอยแม่ปังอำเภอพร้พาวจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นก็ได้ลงมาจําพรรษาที่กับหลวงอารอบที่สองจากนั้นก็ได้มาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวเป็นเวลา14ปี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 มีประสบประการตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเป็นเนนตลอดถึงเป็นพระน้อยพระหนุ่ม แ, แล้วก็มาอยู่กับครูบาอาจารย์ในการศึกษาเรียนรู้ทั้งทุกอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะแนะนาสั่งสอน เ, อเราก็พร้อมที่จะเงี่ยงหูฟังและก็เพื่อการศึกษ า, าจากนั้นก็ได้มาอยู่ตามลำพังามาเป็น จเจ้าอาวาสและเป็นสมภารก็ได้ดูแลพระเนนพระสงฆ์ก็นำประสบประการที่เคยพบเคยเห็นเคยผ่านเคยปฏิบัติมาเคยศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นมาก็เนี่ยมาถึงปูนนี้เขาจะาขั้นว่าเป็นหัวแถวเป็นหัวหน้าเรีอกว่าโพลขึ้นมาสูงพอสมควรเพราะนั้นคณะสัตยายาติยงน้องหนุง่งทางหลายเข้ามา หลวงพ่อเองก็ได้นํำสิ่งที่มีประสบการณ์มาบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนที่พวกเราควรจะรับรู้ได้รู้ได้รับรู้ในเรื่องหลักธรรมพินยัยกฎระเบียบหรือว่าศีลารยาวัตรหรือว่าเรื่องจิตภาวนาที่หลวงพ่อได้เรียนได้ศึกษามาแต่วันนี้เองหลวงพ่ออยากจะแนะนําน้องหนุ่งทั้งหลายพระ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 ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากองค์ลูกตายยังอยู่ก็ไม่ค่อยมเอีเรื่องอะไรขึ้นมาแปลกๆ แ, แต่ทุกวันนี้ฟังฟั ง, ฟงดูแล้วก็แปลกมากหลากหลายขึ้นมาแต่ถึงอย่างไงหลวงพ่อเองก็พยายามบอกกล่าวคณะสัตยาติโยมลูกหลานให้ยึดแนวแถวสายล่งปูมั่นให้หนักแน่นเพราะว่ า, าการบอกกล่าว หรือว่าการแนะนําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวไม่ใช่ทั้งนี้ท้งนั้นไม่ใช่หลวงพ่อคับแคบให้มองแต่สายหลวงปู่มั่นไม่ใช่แต่ถ้าว่าหลวงพ่อให้บอกว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายเอาเถอะครูบาอาจารย์องค์ไหนแนะนําสั่งสอนให้ปฏิบัติตามนั้นเดี๋ยวเข้าไปก็อย่างมีพระมีคนเข้ามาบอกหลวงพอ่อ ผมเดินสายนั้นสายนี้ดูดูแล้วมันจะเป็นบ้าเป็นบอไปเป็นวิปัสนูอุป ก, กิเลสครูบาอาจารย์สายอื่นเวลานั่งภาวนาจิตสงบพอสมควรพอมีนิมิตเกิดขึ้นมาได้เห็นเทวบุตรเนเห็นเทวดาเห็นจิงแปล ก, ก็ให้ส่งจิตไปดูดูซีดูให้มันไปพอส่งเข้าไปก็ยิ่งไปเรื่อยๆพอไปเรื่อยๆจนนั้นแหะกูไม่กลับตันี่ ผลที่สุดก็เลยสำคัญผิดเป็นวิปัสสนูไปอันนี้ก็มากต่อมากแต่นี่แนวแถวสายของหลวงปู่มั่นของเราท่านจะไม่ให้ทําอย่างนั้นท่านจะไม่ให้ดูให้ถอยกลับมาหากรรมฐานเดิมมันแปลกแตกต่างกันอย่างนั้นเพราะฉนั้นพวกเราท่านทั้งหลายพอปฏิบัติตามเอ้ยคนนี้ปฏิบัติทำไปนี่แหละทำแตกเป็นบ้าฮเราไม่อยากจะได้ยินอย่างนั้น ผู้มาปฏิบัติธรรมผู้เข้ามาฝึกใหม่ก็เลยกลัวแท้เนี่ยเอ๊ะถ้าเรานั่งภาวนาไปเนี่ยมันจะไปไม่เป็นบ้าหรอเนี่ยเหมือนกับคนนั้นเขาว่าทาแตกพอปฏิบัติธรรมเข้าจริงจริาจังผลในสุเขเลยเป็นบ้าไปอย่างนี้เป็นตน้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนถึงอย่างไรพวกเราเข้ามาฝึกหัดดัดนิสยัยเข้ามาฝึกใหม่ ควรจะยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นพราะหลวงพ่อเองก็ศึกษามาในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วก็มั่นใจอีกต่างหากว่าแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูจารย์สายหลวงปู่มั่นเป็นสายที่ปฏิบัติดีแล้วก็สมาธิปัญญาสมถะและวิปัสนาได้ชัดเจนเป็นแถวเป็นแนวชัดเจน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 แต่ว่าผู้พาดำเนินนั่นน่ะอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะพาเดินไปครึ่งๆกลางกลางเสร็จแล้วก็พูดพาเดินนันก็นเดินหลงทิศหลงทางไปอีกต่างหากแต่สายหลวงปู่มั่นของเราเนี่ท่านเดินทะลุ ป, ปุปโปก่งถึงที่การทำมาหาเลี้ยงชีพก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดี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 เป็นขราชการเขาไหว้อันไหนก็ดีก็จับไปทําอย่างนั้นพวกอย่างอย่างนั้นใช่ไหมอันนั้นก็เรียกว่าจับชายหากดทาเกณฑ์ไม่ได้ผลในที่สุดก็ท้อใจไม่รู้จะเดินทางไหนหลวงพ่อเองไม่อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายเสียเวล้ําเวลาเสียการประพฤติธปฏิบัติธรรมอยากจะให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่บ้านที่ท่านทําได้ผลมาแล้ว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 ก็มีดาบ ท, ที่เป็นที่เรื่องรือในยุคสมัยนั้นก็มีอยู่2 อ, อยู่ในละแวกนั้นพระพุทธเจ้าสิทธัตถะก็ได้เข้าไปศึกษากับดาราบทอุตกะดาบทสหรือ4แต่ท่านก็มองดูแล้วไม่ใช่ทางเป็นเพียงแต่สงบเป็นสมาธิเท่านั้นยังไม่ใช่หนทางที่จะชำระนะแต่ท่านก็สอนวิชาให้จบเรียนจบกับท่านลือีทั้งสอง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 จากนั้นพระองค์ก็ได้หันมาทางดูทางด้านจิตใจเท่เนีออ่มาดูทางด้านจิตใจคือทรมานกายร่างกายนียออ่มันไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับเราเป็นโซเฟอร์รถอย่างนั้นอ่ะ เ, ออเป็นโซรถเพื่อร ถ, ร ถ, รถมันรถนี่แหะตัวสเสน่หตัวจันลัยแล้วขึ้นขับแล้วพวงมาลัยขับรถชนหน้าชนหลังชนใช้ชนขวาให้มันกินน้ํามันน้อยให้มันกินน้ํามันมากก็เลยทดลองนะเนี่ยทดลองรถฮะ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 ต่นี้พระองค์็มาดูใจใชไหมนี่แหละวันเดือนหกเพนจะดูใจมันดูยังไงมันจับไม่อยู่นะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนั่งภาวนามันตั้งปุ๊บปมันคิดปุงนู่นฟุงนี่ฟุงนี่ปุงน้นแล้วจะทำยังไงท่านก็เลยพอนั่งสมาธิวันเดือนหกเนนนนะพกเทนท่านก็ลํลำลึกถึงสมัยท่านเป็นสิท ธ, ธัตถะไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่ไปนั่งอยู่ที่ชายทุ่งนา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 แต่นี้ก็ลืมลืมพระลูกเจ้าคือสิทัตทะจากนั้นสีทัตทะเห็นพี่เลี้ยงนางนมห่างไปแล้วท่นี้ท่านก็ตื่นขึ้นมามองไม่เห็นไข่มีแต่ท่านอยู่องค์เดียวท่านก็ลุกมันนั่งขัดสมาธินะแต่ทำไมท่านจึงขัดสมาธิเพราะว่าอุปนิสัยเก่าแก่แกดึกดำบรน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 เพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องต้องเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อการบริหารประเทศชาติแต่ใ้ศรีถะก็ไม่ได้สนใจจนถึงอายุ29่สเก้าปีพระองค์จึงเห็นคนแก่เห็นคนแก่และเห็นคนเจ็บและเห็นคนตายพระองค์ก็ท้อปะไทโอเราก็เรานี่ยนาคงจะเกิดขึ้นมาแล้วกับปู่ย่าตายายไปไหนพระมารดาของเราก็สวรรคตไปแล้ว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 แล้วก็เห็นคนตายแล้วก็เห็นสมมณะสมณะคือนักพลดนักบวชนักพลดนักบวชก็อย่างที่พระองค์ได้นั่งอยู่ที่โคลนต้นว่า น, นั่งขัดสมาธิอยู่ตามลําพังสมณะคือนักบวชให้นั่งอยู่ตามลําพังนั่งค้นคิดคุ้นคิดในเรื่องต่างๆ่างเนั่งหลับตานั่งขัดสมาธินั่งอยู่ตามลําพังสิทธะมองเห็นแล้วเอออันนี้เป็นหนทาง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 จากนั้นพระองค์ก็จึงได้นหนีออกจากเวียงวังออกไปอ ย, ยู่แม่น้นําอโนมานาทีห่างจากกรุงกบิลพัทประมาณ200กว่ากิโลทุกวันนี้นะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเขาวัดได้จากศิลจากกรุงกบิลพัทมาถึงแม่น้นําอโนมานาทีที่พระพุทธองค์เสด็จทรงผนวดนั่นนะ่ะห่างกันเท่าไหร่เขาว่าประมาณ200กว่ากิโลก็คงจะขนาดบ้านโพนมาถึง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 แนววจูตูประจาคือการเกิดการตายมองการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกมาอย่างไงมาเกิดและออกจากที่นี่จะไปที่ไหนแต่ละพบแต่ละชาติแต่นี้พอมองไปแล้วพระองค์ก็มองอีกว่าก่อนที่เขามาเกิดนะ่ะเขามาด้วยวิธีอะไรวิวิธีเข้าไปเข้าไปด้วยวิธีอย่างไงท่านก็มองดูแล้วมาด้วยกรรมไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทํา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 ในวันเดือน6กเพ่นนั้นสามอย่างตอนหัวค่ำปุกเพในวาสานุจิติยานลำลึกชาติคนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายพอจวนสว่างได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตอาสาวกไยยยานยานอย่างรู้ว่าพระ อ, องค์หมดจดจากกิเลสไม่มีราคาโทสะโมหะอันนี้คือพระพุพธทธเจ้า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 เออพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเราน่ะหลวงปู่มั่นสอนให้หลวงปู่ล่าอย่างนี้หลวงปู่ล่าสอนให้หลวงพ่ออย่างนี้หลวงพ่อก็จะสอนให้ลูกหลานลูกหลานได้ยินไปละเออหลวงพ่ออินที่เป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่ล่าหลวงปู่มั่นเอท่านสอนอย่างนี้พวกล่ะก็สอนเป็นทอดๆกันหลวงปู่มั่นท่านหลวงปู่ล่าท่านบอกเออเวลาก่อนหลับก่อนนอนเนอให้ไหว้พระกราบพระ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 สัมมาสัมพุทโธกราบสวาขาโตกราบสุปฏิพโนเปโะวโตสาวกระสังโโหกราบจากนั้นคณะโมตัตะเข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเออถึงสาครั้งน้โมตัตะจากนั้นก็พุทธังสารนังขจฉามิทำมังสังขังสารนังขจมดุติยามปีตาติยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่ง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 อย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆกดวงใจทุกๆวิญญาณด้วยเอินคือน้อมใจอย่างนี้เวลาก่อนที่ไหว้พระจบแล้วจากนั้นก็ปนมือกราบ3ามครั้งพุทโธธรรมโมสังโหนิพพานังจากนั้นก็นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิหันไปนั่งทางหมอนนั่นแะแต่สมัยก่อนไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีโทรศัพั์แต่ทุกวันนี้เราต้องอยู่ในมุมสงบ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 เพราะว่าการภาวนาและการปฏิบัตินี่ไม่ใช่ว่าเราคิดได้เองหรือว่าครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นคิดได้เองไม่ใช่เป็นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนาทำจิตใจให้สงบให้บริกรรมเพราะนั้นก่อนที่เราจะบริกรรมภาวนาเนี่ยเราต้องปนมือขึ้นไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พุทโธ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 นี่ละวิธีการปฏิบัติ เ, เริ่มแรกจากนั้นเมื่อนั่งภาวนามันก็ต้องธรรมดาก็ต้องเผลอมันต้องไผลต้องคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นเพราะเราเหมือนกับจับบัวจับควายม า, าฝึกหัดทําไร่ไถานาอย่างนั้นละ่ะมาไถานาอย่างนั้นจะไม่ให้จับเข้ามาแล้วมันจะไถเดินย่องย่องย่องไปคงจะเป็นไปไม่ได้ควายตอนนั้นก็คงจะเป็นควายที่อัจฉริยะและเป็นควายที่เลิศประเสริฐแต่ที่มันจะกระโดดโลดเต้น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 คงเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะคณะสัตยาติโยมนะฟังเอาไว้มันจะต้องเผลอไผลไปทางอื่นเพราะมันเผลอไปกับบังคับให้มันอยู่กับพุทโธตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้น บ, บังคับหลายครั้งต่อหลายหนหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีมันไม่ใช่ครั้งเดียวนะจากนั้นก็ถ้ามันยังเผลอยังเอาไม่อยู่ให้บริกรรมให้ถี่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้สาทัพ แต่ไม่ต้องพูดออกเสียงในปากนะให้นึกในใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสัมทับในใจของเราจนไม่ให้มีช่องว่างในใจของเราที่มันคิดเผลอไผลไปทางอื่นนะอันนี้ก็คือบังคับใจให้อยู่กับพุทโธแต่หลวงพ่อแนะนําอีกแนวหนึ่งที่ว่าพรอหลวงพ่อคิดว่ามไม่ผิดเหมือนกันเพราะเหตุายเพราะพระพุทธเจ้า ว, วางคำมัฐานไว้ทั้ง40ิอย่างหรือมากกว่านั้นอย่างพวกที่หลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อว่าให้พวกเรานับดูนะ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 เราควรจะใส่ใจเขาโอ้ข้าไม่ไหวแล้วเนี่ยฮะเป็นลักษณะอย่างนี้สติคงค้าเนี่ยแย่ย่าแย่จะแล้วเราควรจะตั้งใจใหม่เอาเถอะบังคับให้อยู่กับพุทโธเรีวยว่านับหนึ่งสองสามนับถึงสิบไมให้มันเผอดูซิจากนั้นก็นับถึง20ดูซิฮะอันนี้ก็คือวิธีการฝึกสติให้อยู่ในสมาธิในเมื่อเรามีสมาธิดีแล้วนี่แหละหลู่อยู่นสถานที่ใด ดีหมดทีนี่เพราะมีสติสัมปชัญญะมีสติอยู่กับตัวเองจากนั้นเมื่อเรามีสติดีแล้วเราจะเดินวิปัชนาภาวนาเรื่องพิจารณาอธิจยังทุกขังอนาตาอย่างไงอันนั้นจะค่อยว่ากันอีกข้อสําคัญเนี่ยเอให้เรียนกอไก่ให้ถึงหอนทุกข์ให้จบซะก่อนจึงค่อยผสมสาระสราระเนี่ยออ่านออกได้ที่คอไก่กาคืออะไร อ, อกินคืออะไรเออ ใส่สา ร, อ, สรอูเข้าไปแล้วทีนี้แล้วก็ใส่ต่อสา ร, สรอาเข้าไปตัวผสมตัวอื่นเข้าไปอีกจนอ่านออกเขียนได้นี่แหละวิธีการฝึกเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, า, าติโยมลูกหลานทุกคนนะนี่แหละคือวิธีการฝึกแนวปฏิปทาแนวแถวสายหลวงปู่มัน่นจากนั้นเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราเ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 มีเหตุผลจริงพวกเราก็ต้องเชื่อเชื่อในธรรมคำสอนเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราไม่ได้เชื่อแบบงมงายนะอพอได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติแล้วก็ได้ตะพายกดแบกตะพายบาดแบกกรดเข้าไปอยู่ในป่าดงพงไพ่เห็นไหมอยู่ทางขวามือของหลวงพ่อสมัย8 0 9สปีให้หลังหลวงปู่มั่นจะมาภาวนาอยู่ที่ภูเขาถ้าหลวงปู่มั่นเนี่ทีน้าตกยุงทองพวกเราคาดคิดไหม หลวงปู่มั่นจะมาถึงที่นี่ท่านมาอะไรทําไมภาวนาที่ไหนก็ได้นั่นแหะท่านมาเสาะแสวงหาสถานที่สงบสงัดสถานที่กลัวๆเพื่อไม่ให้ใจของเรามันคิดออกไปสู่ข้างนอกไปอยู่ในสถานที่กลัวให้บังคับให้ภาวนากลางคืนมาเห็นเสือยินเสียงเสือร้องท่านก็พุทโธพุทโธพุทโธท่านกลัวใช่ไหมคนเรากลัวตายมันก็ต้องใจก็ไม่หนีจากตัว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 เธอ